น่าซ้ำซักพอหนาให้เยอะนะฟังให้รู้แนวก็พอแล้ะก็เอาเวลาส่วนมากไปภาวนาเอาบางคนฟังซีดีหลวงพอนะ่อฟังเป็นเครื่องอยู่ฟังแก้เครียดฟังแก้เซง็งฟังอะไรเงั้ยก็พอได้นะถ้าคิดว่าฟังไปเรื่อยแล้วจะบรรลุมาผลนิพพานงมไม่บรรลุหรอกต้องภาวนาเอานะ มันไม่มีทางที่สองที่ใครคนหนึ่งจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ทางมันมีทางเดียวคือการเจริญสติปัฏฐานมีสติรู้กายรู้ใจไปเวลาที่ไม่มีกำลังจะรู้กายรู้ใจก็ทำความสงบเข้าม า, าจิตใจสงบจิตใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วก็คอยดูกายคอยดูใจบ่อยๆงั้นงานที่เราทำมีสองงานสมถะวิปัสสนา สมาทานทำไปเพื่อให้ใจมีความสุขความสงบมีใจตั้งมั่นใจมีเรี่ยวมีแรงตั้งมั่นออกมาเป็นคนดูไม่ใช่เป็นคนทาใจของเรามันเป็นแค่คนทามันไม่ใช่คนดูทำโน้นทำนี้ทั้งวันน่ะเรียกทำกรรมในจิตเราทำกรรมตลอดเวลารู้สึกไหมเดี๋ยวก็ทำกรรมดีเดี๋ยวก็ทำกรรมชั่วจงใจขึ้นเมื่อไรมีเจตนาเมาื่อไ่ก็ทากรรมเมื่อ น, นั้นน่ะ จงใจทําชั่วก็เกิดการทําชั่วกรรมชั่วจงใจจะปฏิบัติก็เกิดการทํากรรมดีมีการทํากรรมขึม้นมาทำไงใจเราจะกลายเป็นผู้รู้ผู้ดูน่าใจเราไม่สามารถเป็นผู้รู้ผู้ดูสภาวะได้แล้ว<ม>ก็บรรลุมรรคผลไม่ได้การที่มีใจตั้งมั่นเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นจิตใจตามความเป็นจริงที่เรื่อง ทำสติปัฏฐานทำมิปัสนาอะไรนะเป็นทางเดียวนะทางเดียวแต่ถ้าให้ตรงศัพท์จริงๆต้องใช้คําว่าทำมิปัสนาในสติปัฏฐานเนี้ยมีสมถะเจือปนอยู่กรรมฐานบางอย่างในสติปัฏฐานเป็นสมถะอย่างการพิจารณาร่างกายเป็นศพการพิจารณาอาหารเป็นปฏิกูลอะเนี้ยส่วนนี้เป็นสมถะการรู้ลมหายใจ เป็นสมถะก็ได้เป็นวิปัสสนาก็ได้การดูจิตมีจิตอยู่สองดวงจิตที่ไปรู้ความว่างก็จิตที่ไปรู้ความไม่มีอะไรสองดวงนี้ใช้ทาสมถะได้ส่วนใหญ่พอมาเจอคู่นี้เราก็จะไปติดสมถะละเป็นสติปัฏฐานก็มีทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาปนนกันอารมณ์บางอย่างในสติปัฏฐานใช้ทาสมถะอย่างเดียวอารมณ์บางอย่าง ใะสติปัฏฐานนะัใช้ทําสมถะด้วยทําวิปั ส, สนาด้วยแต่ในความเป็นจริงนะัไม่ว่าอารมณ์ใดๆอะถ้าจับหลักให้แม่นรู้กระบวนการทํางานของจิตให้แม่นเราจะพบว่าอารมณ์ทุกชนิดเอามาทําสมถะได้หมดแะอย่างเราเห็นท้องพองยุบนะดูไม่เป็นนะกลายเป็นเพียงเห็นรูปไหวเห็นรูปไหวเห็นรูปหยุดนิ่งดูไม่เป็นนะจิตใจไม่ตั้งมั่นพอ จะกลายเป็นการเพ่งมือเดินชงกลมไปเพ่งเท้าจะถึงรู้กายถึงรู้ใจนะก็ไม่จําเป็นต้องเป็นวิปัสสนาเสมอไปยากมากนะกว่าคนคนนึงจะขึ้นวิปัสสนาได้พระที่มานี่บ่อยๆ อ, องค์นึงท่านอนุสอ น, อนสอนลูกศิษย์หลวงพ่อทุยท่านอนุสอนเอาหนังสือของหลวงพ่อไปให้หลวงพ่อทุยอ่านท่านก็อ่านๆ น, นะแล้วท่านก็มาบอกว่าท่านเห็นด้วยทุกอย่างเลยท่านไม่เห็นด้วยอยู่ข้อเดียว หลวงพ่อประโมลบอกง่ายท่านว่ามันยากท่านอนุศนเลยมาถามตกลงมันง่ายหรือมันยากครับพอหลวงพ่อประโมลบอกง่ายหลวงพ่อทุยบอกมันยากนะหลวงพ่อบอกท่านท่านพูดกระถูกของท่านนะอย่างหลวงพ่อก็ถูกแบบหลวงพ่อมันยากมากเลยที่คนคนหนึ่งจะทํำมิปัสนาได้แต่มันไม่ยากเลยที่คนทํามิปรสนาได้จะบรรลุมรรคผล น, นิพพานมันยากอะ่ะที่จะขึ้นมาเจริญสติเป็น จิตของเรามีแต่หลงหลงคิดหลงนึกหลงปรุงหลงแต่งหลงปฏิบัติมีแต่หลงยากเหลือเกินที่คนคนหนึ่งจะตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงนะยากแต่ไม่ยากหรอกที่คนที่ตื่นขึ้นมาแล้วรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นจะบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ยากเพราะในสติปัฏฐานก็บอกนะเวัน7เดือน7ปีไม่ได้พระละหันก็ได้อนาคาท่านพูดถึงขนาดนั้น พวกเรา呐เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีได้โสดาก็บุญแล้วนะแคะนั้นก็บุญแล้วอย่าโลภมากเลยนะอินรีย์เราอ่อนอินรีย์ไม่อ่อนก็คงไม่มานั่งอยู่ตรงเนี้ยนแกหลวงพ่อหลวงพ่อก็พวกอินทรียอ่อนมีอยู่คราวนะไปวัดหลวงปู่สุวัตตอนนั้นเขาน้อยหลวงปู่ยังอยู่หลวงพ่อยังไม่ได้บวชออก ไปไปนั่งตอนเข้าไปเคนอาหารอยู่นะเราก็มองไปรอบๆตัวเราคนรุ่นนี้ไม่ใช่คนรุ่นเราพวกที่นั่งอยู่ในศาลาเนี่ยคนรุ่นเราไม่อยู่แล้วเราเนี้ยตกรุ่นอยู่ <c oughs> นี่เราแต่ละคนนะต้องใช้เวลาในการสะสมนะสะสมไปพวกเราที่มาฟังทำจนกระทั่งตื่นขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่คนที่เริ่มต้นในวันนี้หรอก คนที่ฟังทำจนตื่นขึ้นมาได้ในชีวิตนี้เนี่ยสะสมมาไม่น้อยละเฉน้นพวกเราสะสมอบรมมาไม่น้อยละโอกาสที่พวกเราแต่ละคนแต่ละคนจะบรรลุมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้ก็มีโอกาสยกเว้นบางคนหนะ้ามันเกิดเมื่อเรียกว่าทวิเหตุกะไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาทำไงมก็ไม่ได้นะ หรือบางคนมันเป็นมิจฉาทิฐิโดยสายเลือดเป็นมิจฉาทิฐิข้ามพบข้ามชาติมันเรียนยังไงก็ไม่ได้หรอกทาไม่ได้ใจมันยอมรับความจริงสัมมาทิฐิไม่ได้แต่ถ้าเป็นคนที่สมประกอบไม่ลำบากเกินไปหรอกนะการที่ได้เป็นมนุษย์ที่สมประกอบนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะพวกเรามีอยู่แล้วเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งกายทั้งใจแล้ว เรามีโอกาสได้ฟังธรรมเห็นไหมมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างพวกเราก็มีเยอะหลายพันล้านแต่ที่มีโอกาสได้ฟังธรรมในการปฏิบัติจริงๆมีน้อยนิดเดียวไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะครูบาอาจารย์เคยพูดให้หลวงพ่อฟังเคยไปหาหลวงปู่เทศท่านเล่าคนในโลกมีตั้งหลายพันล้านใช่ไหมชาวพุทธมีนิดเดียวชาวพุทธก็มีตั้งหลาย10ล้านที่สนใจเข้าวัดมามีนิดเดียว พวกที่เข้าวัดมาแล้วสนใจปฏิบัติ น, ะนิดเดียวใหญ่เลยพวกปฏิบัติแล้วเอาจริงนะคร้นี้นับตัวได้นะถ้าปฏิบัติถูกต้องแล้วก็เอาจริงนะมาผลนิพพานไม่หนีเราไปหรอกอยกเว้นอย่างเดียวจิตมุ่งหวังยกพุทธภูมิมุ่งพุทธภูมิไปงั้น นอก น, นั้นนนถ้าเป็นคนที่สมบูรณ์ไม่ได้ทํากรรมชั่วหนักๆมาเช่นทำอนันตริยกรรมหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิถาวรสืบเนื่องมาหลายพบหลายชาติส่วนมากพอมาเจริญสตินะไม่นานไม่นานหรอกก็จะเข้าใจธรรมะแต่ครูบาอาจารย์ท่านก็เล่านะว่าแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นมันอ่อนลงเรื่อยๆอันนี้ท่านเล่านะไม่ใช่หลวงพ่อเล่ายัางมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเล่าให้ฟังว่า วันที่เผาศพหลวงปู่มั่นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะที่ท่านพลทุกพล ร, ร้อนไปแล้วมาร่วมงานเผาศพนมีทั้งสาสิบ็ดองค์ที่เข้าใจธรรมะเบื้องต้ น, นมีนับไม่ถ้ว น, นมาถึงวันนี้นะท่านเล่าว่ากว่าจะเข้าใจธรรมะสักองค์หนึ่งองค์หนึ่งนะอยู่กันจนแก่เลยลสิ่งย่อหยวนมันเยอะใจไม่แข็งจริงอยู่ไม่ไหวนะภาวนายากเราต้องเข้มแข็งนะสิ่งย่อยุมันเยอะสิ่งหลอกลวงมันเยอะ สิ่งนี้ทําให้ใจเรากับเพิ่มขึ้นกับเพิ่มลงมันเยอะอย่างตอนหลวงพ่อเด็กๆนะพอตกค่ําลงเนี่ยแต่ละบ้านอย่างมากก็เปิดวิทยุวิทยุก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะมีดนตรีไทยก็น้องกระแนงอะไรเงี้ยไปไอสิ่งจะมายั่วยุอะไรไม่ค่อยมีนะอย่างมากก็มีโฆษณาซึ่งโฆษณาแบบฟังแล้วเราก็ไม่อยากซื้ อ, อยาประดองภาษางขีริงอะไรเงี้ยนะ ยาตะขับเก้าสิบเก้าตัวอะไรสมมติฟังแล้วก็งั้นงั้นอ่ะมันไม่ยั่วยกิเลสตกคําลงใช่ไหมคนเปิดวิทยุไว้คนยังทํางานได้แต่มาพอโทรทัศน์เข้ามาเนี่ยทํางานไม่ได้แล้วต้องนั่งเฝ้าหน้าจอใช่ไหมวิถีชีวิตมันค่อยๆเปลี่ยนโทรทัศน์ตอนหลังๆเนี่ยยิ่งโฆษณาเก่งขึ้นเรื่อยๆดูแล้วกิเลสมากขึ้นเรื่อยๆแค่ดูละครก็ตบกันหนั ก, น, กนาสาหัสนะ สมัยโบราณละครนางอิจฉาก็แค่กันแนกัแนกันนลองไปดูเรื่องสีแผ่นดินสินแม่อุ่นคุนอุ่ น, นว่าแม่ปลอยอะไรเนี่ยก็ว่ากันแนกัแนกันเดี๋ยวนี้ต้องตบกันกรีดกรีดกลัดกลัดใช่ไหมตบกันหนักหนักยิ่งดีนี่สิ่งที่ยั่วให้อารมณ์เราแหว่งเนี่ยเยอะมากเลยยั่วกิเลสนะงั้นไม่แปลกหรอกนะที่กิเลสเราจะรุนแรงสิ่งที่ยั่วยุมันเยอะแล้วใจของเราไม่ได้แข็งพอ ที่จะอยู่ท่ามกลางความยั่วยุวโดยไม่กระเพื่อมันไหวนี่เราต้องฝึกตัวเองเราจะไปเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไม่ได้เราไม่ได้เป็นคนกำหนดสิ่งแวดล้อมนั้นใช่ไหมทำไมบ้านเมืองต้องมีสภาพอย่างนี้ดูข่าวการเมืองก็เกิดกิเลสใช่ดูเศรษฐกิจก็เกิดกิเลสกังวลอย่างเงี้ยดูข่าวอะไรอะไรก็มีแต่เรื่องปวดหัวทั้งนั้นเลยดูโฆษณาก็เต็มไปด้วยความอยาก ฟังเพลงยังกระหมากัดกันฟังไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้เนี่มีแต่สิ่งย่อยๆอย่างเงี้ยเพราะงั้นยากเหลือเกินนะที่คนรุ่นนี้สักคนหนึ่งเนี่ยจะเข้าใจธรรมะขึ้นมาคนที่จะเข้าใจธรรมะได้เนี่ยต้องใช้เวลาส่วนใหญ่เวลาว่างๆส่วนใหญ่เวลาทํามาหากินก็แล้วไปเถอะแต่เวลาส่วนใหญ่ที่เหลือเนี่ยต้องเอามาเจริญสติ การจเจริญสติเหมือนพายเรือทวนน้ำนะไม่ใช่พายเรืออยู่ในน้ำนิ่งเหมือนพายเรือทวนน้ำหยุดเมื่อไหร่ถอยเมื่อนั้นถอยไปใช่ไหมเดี๋ยวมีแรงมาพายใหม่พายมาถึงตรงนี้เหมดแรงถอยไปอีกแล้วถอยขึ้นถอยลงอยู่อย่างนี้นะหลายๆครั้งจะไม่มีแรงที่จะไปต่อละหมดเป็นหนึ่งชาติแล้วงั้นต้องอดทนมากนะในการที่จะขยันพักเพียร ตื่นขึ้นมาคอยรู้สึกกายตื่นขึ้นมาคอยรู้สึกใจไว้หนะลวงพ่อไม่ใช่ผู้พิเศษนะแต่หลวงพ่อมีความอดทนมากเลยในการฝึกตัวเองอดทนมาแต่ไหนแต่ไรนะันเป็นนิสัยซึ่งฝึกมาอย่างนั้นพ่อของหลวงพ่อนะฝึกหลวงพ่อให้อดทนนะนึกถึงแล้วยังปลื้มใจเลย น, ะนึกถึงเคยเล่านะตอนเด็กๆมีคนจีนหาบของเล่นมาขายสมัยโน้นของเล่นไม่มีมากหรอกนะ มีแต่ของดูเพลนเลนเด็กสมัยนี้มองแล้วไม่สนใจหรอกวันหนึ่งเอาแป้แกหาบมานะมีรถไฟอยู่หัวขบวนอันหนึง่งตู้โดยสารอันนึงโอ้เราเห็นเราอยากได้อันลบาทนะอัลบาทเดียวแหละบอกพ่อให้ซื้อให้พ่อบอกพรุ่งนี้หัดรอซะบ้างหัดรอเราทึกแหมแค่นี้เองก็ไม่ยอม อีกวันหนึ่งมานะเราก็ดีใจรีบไปดักไว้ตั้งแต่บ่ายเลยมันจะมาตอนเย็นนะไปเฝ้าไว้เอาพอมันมานะต่บอกพ่อแล้ววิ่งไปนะซื้อให้หนึ่งอันนะซื้อให้หนึ่งอันซื้อหางมันหัวยังอยากได้อยู่เอาหางไปก่อนนะแล้วพรุ่งนี้จะซื้อหัวให้อีกวันมันมานะเราก็ไปเฝ้าเลยนะเรามีแต่หางลากหางมันมาวันหนึ่งแล้ว ปรากฏว่ามันขายไปแล้วเนะอ้เราเหลือแต่หางรถไฟนะโอ้ตายละเสียใจเสียใจนะพ่อเราก็เสียใจนะปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นนะเราเห็นไอ้เด็กข้างบ้านนะมันลากหัวรถไฟมาเราก็ลากหางไว้เนี่ยไม่รู้จักสหกรณ์ถ้าเอามาร่วมกันลากมันก็ได้ครบใช่ไหมโอ้ต่างคนพอมาเจอกันนะต่างคนรีบลากของตัวเองเข้าบ้าน นี่พ่อหลวงพ่อฝึกหลวงพ่อมาอย่างนี้นะเพราะันหลวงพ่อจะเป็นคนที่อดทนมากเลยในการที่จะฝึกตัวเองฝึกตอนข้าจุลานะไปเล่นกระบี่กระบองฝึกอยู่ท่าเบสิกนะั่นนหะฝึกอยู่ยนั้นแหละซ้าแล้วซ้าอีกนะใครๆเข้าไปตั้งหลายท่าแล้วเราเล่นแต่ท่าเบสิกซ้อมอยู่อย่างนั้นเองแต่ใครมาตีกับเราสู้เราไม่ค่อยได้นะเรามีอยู่ท่าเดียวนี้แหละ พอมันขยับเราก็ตีหัวมันลูกเดียวเลยราเล่นท่าอื่นไม่เป็นหรือตอนจะบวชหลวงพ่อเนี่ยข้อไม่ดีข้อเข่าอะไรพวกนี้ไม่ค่อยจะดีน้ำหนักก็เยอะคุกเข่านานไม่ไหวหรอกตอนจะบวชหลวงพ่อก็ฝึกตัวเองฝึกคุกเขา่าเวลาบวชต้องคุกเข่านา น, านซ้อมคุกเข่านะวันวันแรกได้สักครึ่งนาทีแข่งขาสั่นไปแล้วกระดูกกระเดี่ยวแทบจะหักเลย เอาแล้ววันนี้ได้ครึ่งนาทีพอใจแล้ซ้อมเป็นปีเลยนะไม่ชีเป็นพยานนะอีกวันหนึ่งนะซ้อมได้40่สิบวินาทีก็ถือว่าดีขึ้นละซ้อมอย่างนี้นะซ้อมซ้อมซ้มนะจนกระทั่งได้ออได้สักสินาทียังไม่พอนะวันบวชไปสู้ตายเอาเองนะถึงวันบวชนี่นะพระที่มันั่งหัตถบาทัดนะจารสุจิตนะี่ยจารสุจินพาหลวงพ่อไปบวชเนะียทั้งอุปชาทั้งคู่สวด นะทั้งพระที่นั่งหัตถบาต ท, ทั้งอาจารย์นี่นะนั่งสัน่น <c oughs> จะกลิ้งลงไปแล้ว <c oughs> เรานี่แข้งขาสั่นนะแต่ฟังภาพอยู่ว่าหน้าแดงไปหมดเลยนะโอ้ยฝืนพระท่านรีบสูดกันใหญ่ร <c oughs> <c oughs> อดออกมาได้ยันไม่ได้เก่งนะแต่อดทนเรียนอย่างหลวงพ่อต้องอดทนนะอดทนแล้วก็ช่างสังเกตหลวงพ่อผ่านมาด้วยสองวิธีนี้นะอดทน ลองแล้วลองอีกลองผิดลองถูกนะอดทนไปเรื่อยเลยอยงเราภาวนาไปจิตใจรู้สึกโปร่งโล่งเบาแนละ้าจะดีถ้าจะดีอีกวันหนึ่งไม่เริ่มจากตรงท่าจะดีนี่แล้วอีกวันหนึ่งเริ่มต้นจากรู้กายรู้ใจนับหนึ่งอีกแล้วรู้รู้ใหม่เนี่ยทบทวนอยู่อย่างนี้นะั้นเดินแต่ละก้าวเนี่ยเดินด้วยความระมัดระวังไม่มีเราเดินพรวดๆลดพ ล, ด, พลดไปแล้วก็ไปเชื่อเอาเองว่าบรรลุมรรคผลเราไม่เชื่อหรอกแต่และ ว, วันแต่และ ว, วันเนี่ยนับหนึ่งทุกวันสังเกตตัวเองไปเรื่อยๆไม่เชื่อ อดทนมากเลยในการดูตัวเองตอนเด็กๆพ่อพาไปหาท่านพ่อหลีวัดอโศกรัมท่านสอนให้ทำสมถะปี02ท่านสอนให้ทำสมถาหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนับหนึ่งเนียนับไปถึง 9-10 ถึง 10, นะแล้วก็นับถอยหลังลงมาถึง 8-7-6 ถึง 7, ถึง 6, อะไรเงี้ยหลวงพ่อนับเราโอ้เราเด็กเล็กนะนับเลขอย่างนี้นับยาก นับขึ้นนับลงเลยเปลี่ยนไปนับหนึ่งสองสามไปถึงร้อยอะไรเงี้ยแล้วก็นับใหม่ทุกวันนะภาวนาทุกวันไม่เลิกอย่างน้อยนะไปเล่นมาจนเหนื่อยเต็มทีแล้วลืมนั่งสมาธิตอนจะนอนอยังนอนภาวนานอนหายใจไปเรื่อยนอนนับไปเรื่อยไม่เลิกหรอกนะพอมาปีสองห้ามาเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตตัวเองไม่มีวันไหนที่ไม่ดูจิตคอยดูอยู่เรื่อ ย, อยตื่นนอนขึ้นมาก็เริ่มดูแะ ตื่นขึ้นมานืวันนี้วันจันทร์ใจแห้งแล้งรู้ว่าแห้งแล้งนะตื่นขึ้นมาวันนี้วันศุกร์ใจสดชื่นอะรู้ว่าสดชื่นตื่นขึ้นมาวันพุธเนี่ยวันขี้เกียจวันพุธอะขี้เกียจสุดๆดวันพุธนะวันจันทร์เนี่ยเซ็งสุดเลยวันอังคารก็เซ็งมากนะวันพุธขี้เกียจวันพฤหัสวันแช่มชื่นวันสดวันศุกร์วันสดใสนะแต่ละวันแต่ละวันแค่ตื่นขึ้นมาแล้วนึกได้วันนี้วันอะไรจิตก็เปลี่ยนนะรู้อย่างนี้เลย จะกินข้าวก็รู้ทันจิตเจอของชอบความรู้สึกอย่างนี้เจอของไม่ชอบความรู้สึกอย่างนี้ได้ยินคนเขาพูดอย่างนี้ความรู้สึกนี้ได้ยินอันนี้ความรู้สึกอย่างนี้ฟังวิทยุบ้างอะไรเสียงกระทบใจรู้เรื่องความรู้สึกเปลี่ยนคอยดูจะอาบน้ำก็ดูจะขับถ่ายก็ดูวันไหนท้องผูกใช่ไหมจะกลุ้มใจ พอถ่ายได้สบายใจเนี่ยดูนะั่นไม่มีลาเว้นเลยนะใครอยามาสั่งมาสอนนะบอกว่าอยู่ในซ่วมห้ามทํากรรมฐานบาปกรรมเนี่ความคิดของเดลทีแท้ๆเลย <Yes. S 1> เวลาที่จเจริญสติเนี่ยอย่าให้ขาดวักขาดตอนขึ้นรถเมย์ไปทํางานนะั่นเดินออกจากบ้านก็รู้สึกตัวไปไปรอรถเมย์อยู่ก็รู้ทันใจของเราไปรถไม่มากังวลรู้ว่ากังวลรถมาแล้วดีใจรู้ว่าดีใจดีใจแล้วขึ้นไม่ได้ผิดหวงังรู้ว่าผิดหวงัง เห็นความกระบวนกระวายที่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นกลัวไปทํางานไม่ทันเนี่ยเห็นรถว่างมาดีใจรถว่างไม่จอดไปนี่โกรธ ล, แล ะ, ะแอบด่าพ่อด่าแม่มันในใจนแล้วก็รู้ทันตัวเองไปเรยฝึกยืนนี่้ไปถึงที่ทํางา น, นได้ยินมาว่าวันนี้หัวหน้ากองไม่อยู่ยปื้มมากวันนี้นพอเปิดพเปิดห้องเข้าไปเจ้าเอ๋ออ้าวหนีประชุมที่อื่นมานใจเราเหี่ยวลงไปนิดนึงแต่เราก็ยิ้มไหมยิ้ม ใจเรานี้ฝ่อไปเลยวันไหนแกมาแล้วทำงานได้น้อยวันไหนแกไม่มาทำงานได้เยอะแกเรียกเรื่อยเนี่ยดูอย่างนี้นะดูตลอดทำงานตั้งใจจะรีบทำงานให้เสร็จเร็วๆโทรศัพท์มาอีกแล้วเดี๋ยวก็คลิ้งเดี๋ยวก็คลิ้งโมโหรั่วโมโหแอบขยับไปเออมันเงียบได้หหรือทำงานไปนะใจคิดแต่เรื่องงานคิดชั่วโมงหนึ่งได้ล้ เดินไปห้องน้ำกินน้ำไม่เยอะไว้แล้วก็เดินไปห้องน้ำลุกขึ้นมาเห็นร่างกายมันเดินไปห้องน้ำดูจิตไม่ไหวเพราะหัวไปคิดงานมาจนหัวหมุนไปหมดแล้วดูจิตไม่ได้ดูกายผู้ชายก็ยืนฉี่ใช่ไหมแต่ยืนสองขานะถ้ายืนสามขาจะเป็นหมายืนขาเดียวเรียกกระตานะ่ายนะพเข้าห้องน้าใช่ไหมไฉี่จิตใจจะผ่อนคลายเนะขาถึงชื่อห้องสุขขาใช่ไหมนะ ไปทดสอบนะว่าจิตเปลี่ยนหัหยเสร็จแล้วเดินออกจากห้องน้ำอันนี้ดูจิตมันได้ละนี่เบรกตัวเองถ้าเบรกได้นะถ้าไม่มีงานตะลุมบอดนะถ้าเบรกได้นะเบรกชั่วโมงหนึ่งสักหานาทีก็พอละแค่เดินไปห้องน้ำหนะลงพ่อฝึกของหลวงพ่ออยู่อย่างนี้แหละเวลาเข้าไปหาครูบาอาจารย์ไปส่งการบ้านท่านนะไปด้วยความองอาจกล้าหาญนะไม่มียอยแยะนะ ไม่เคยส่งการบ้านเลยมูนี้ผมขี้เกียจครับหนึ่งไม่มีคํานี้ไม่เคยหลุดออกจากปากเราเพราะเราไม่ขี้เกียจนะนั้นหลวงพ่อไม่ชอบเลยนะคําว่าขี้เกียจเนี่ยมันโง่แท้ๆเลยที่ขี้เกียจความทุกข์ท่วมหัวท่วมโลกอยู่แล้วยังจะบอกว่าขี้เกียจต้องขยันดูนะต้องอดทนต้องขยันดูมาไปส่งการบ้านครูบาอาจารย์นะพวกพระจะชอบมาฟังบางทีมีชีมาฟังด้วย เมื่อก่อนเวลาเดินเข้าวัดป่าสารวันรจะไปหาหลวงพ่อพุธนะไปผ่านมีกุฏิไม่ชีอยู่หลังพอแกเห็นเราเท่านั้นแล้ก็จะคว้าสมุดโน้ตมาเลยนะรีบมาเลยรีบจำจำจ ำ, จำมานั่งฟังบางทีพระก็ฟังยังไปหาหลวงปู่เทศนะบางทีเข้าไปกราบท่านโนะยมเข้าไปวันหนึ่งเป็นร้อยในมณฑบที่ท่านอยู่พระอุปถัมภ์ให้หลวงพ่อนั่งข้างๆท่านก่อนนั่งหลบๆมุมๆก่อนนะ เอาโยมคณะที่1ถวายของคณะที่สองถวาย3 4 5ี่เอาหมดทุกคณะแล้วนะเอาหลวงปู่จะให้พรรับพรเอาหลวงปู่จะพักพรเชิญโยมกลับเนี่ยใช้เวลาไม่นานนะประมาณ10บกวานาะทีคนเป็นร้อยๆเนี่ยกลับไปหมดแล้วพระปิดประตูเลยหลวงพ่อก็จะอยู่กับหลวงปู่อันนี้พระจะมานั่งฟังคราวหนึ่งอาจารย์อินถวายยังเคยมานั่งฟัง เสร็จแล้วพอพูดกับหลวงปู่เสร็จนะออกมาข้างนอกบนาะทีพระมาตามมาพระถามโยมทําได้ไงโยมปฏิบัติยังไงพระทําตั้งสิบปียีสิบปีไม่ได้นะบกผมทําตลอดเลยผมไม่เคยหยุดนะทําตั้งแต่ตื่นนะทาตั้งแต่ตื่นนะไม่มีทะเลทรายเลยนะไม่ใช่ว่าห่างไกลครูบาอาจารย์แล้วไม่ภาวนาเวลาถึงเวลาจะไปหาครูบาอาจารย์มาปั่นกันบ้านหน้าวัดแบบคนยุคนี้ไม่มีหรอกนะ มาปั่นกันอยู่แถวนี้แหละ <LA> ผ่านโค้งดารามาแล้วมาปั่นกันใหญ่บางคนมาลอกกันบ้านเพื่อนมาฟังฟังเขาว่าถามยังไงแล้วหลวงพ่อชมก็ล่อกแบบกันหลวงพ่อไม่มีอย่างนั้นนะหลวงพ่อทำกันบ้านจริงๆดูของเราดูทุกวันทุกวันทุกวันนะไม่มีใครควบคุมหรอกดูเอาถึงได้ผล นั่นถึงรู้เลยว่าการภาวนาเนี่ยนะเอกความฉลาดปลาดเกรียงไร้รู้ปริยัตเยอะอะไรยช่วยอะไรไม่ได้คิดมากช่วยอะไรไม่ได้พวกนี้มีแต่ทวงจเจริญสติให้มากมีสติรู้กายมีสติรู้ใจท่านจะตื่นเลยท่านจะตื่นจนหลับไปเลยนะจนชำนี้ชำนานนะนอนหลับไปแล้วเนี่ยพลิกซ้ายพลิกขวารู้ตัวทั้งคืนเลยรู้สึกหมดเลยจิตจะขยับขยื่อนรู้หมดเลยนะทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นฝึกของเราไปเรื่อยๆใหม่ๆก็ได้บ้าง ล้มเหลวบ้างเจริญแล้วก็เสื่อมพอเสื่อมแล้วก็เสียใจสปีดใจภากเพียรใจเพียรพยายามสุดฤิดสุดเดชนะัมันก็ไม่หายที่เสื่อมโอ้หมดแรงแล้วช่างมันเถอพะพอช่างมันเถอะมันจเจริญอีกล่ะเนี่เนี่ยอย่างนี้เจอหลายหลา ย, หลายทีข้างหน้านี้ทุดสุดจับเคล็ดลับมันได้เวลามันจเจริญอย่าหลงดีใจเวลาเสื่อมไม่ต้องตกใจเจริญก็รู้เสื่อมก็รู้นะแล้วมันจะไม่จะไม่เจริญไม่เสื่อมละจะคงที่อยู่งนะั้นเสถียร หมายถึงว่าสภาวะใดๆก็เสมอภาคกันใจเราจะไม่แปงขึ้นแ่รลงใจจะเป็นกลางกับทุกสภาวะนะนี่คอยดูกายคอยดูใจไปนะไม่ได้เหลือวิสัยดอกตอนหลวงพ่อบวชได้หพรรษาตอนนั้นตั้งใจไว้ไม่ห้าพรรษานี่ยังไม่ไปหาครูบาอาจารย์องค์หนึ่งต้องสัก5ปีกวนค่อยไปหาที่ไม่ไปหาบ่อยกลัวท่านเร่งเร่งยิ่งยิ ย, ยิฟังแล้วเหนื่อย นะกาบสักห้าปีนะนี่ท่านเห็นเราสบายแล้วท่านไม่ยอมให้เราอยู่เฉยก็ส่งข่าวแม ง, งน้นงี้นะก็ไปหาท่านเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าคุณประโมทสอนโยมมาเยอะแล้วโยมมีจุดอ่อนตรงไห น, นวันนั้นก็มีโยมมานั่งฟังด้วยที่อยู่กับท่านเรียนท่านเลยบอกคารวาสเนี่ยมีจุดอ่อนที่ความต่อเนื่อง ไม่โง่นะคาราวะาไม่ได้โง่กว่าพระหรอกภาวนานะจับหลักได้ตีไม่ดีเร็วกว่าพร่ยเว้นพระพวกนี้นะพวกนี้พระจีนเนี่ยฉลาดเจงกระทั่งพอนายาก <c oughs> คิดมากนิยมยมเรียนรู้เนี่ยยมเรียนได้เร็วแต่ยมไม่ต่อเนื่องหรอกยมพร้อมจะทิ้งการปฏิบัตินะไปทำอย่างอื่นก่อนแล้วว่างๆจะมาทำใหม่ โยมเนี่ยไม่เข้าใจอย่างหนึ่งนะถึงเข้าใจแต่ก็ทําเป็นไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วการปฏิบัติเนี่ยไม่เบียดบังเวลาทํามาหากินเลยไม่เบียดบังเวลาที่จะดูแลครอบครัวของตัวเองเลยอย่างเลี้ยงลูกก็ภาวนาได้ใช่ไหมคุยกับสามีก็ภาวนาได้มันพูดอะไรก็ขัดหูทุกคนะําฮะถ้าคุยกับแฟนใช่ไหมก็ภาวนาได้มันพูดอะไรก็ชื่นใจทุกคนะําำพอมันเปลี่ยนสถานภาพนะมันพูดแล้วมันเปลี่ยนความรู้สึกไปอีกนะ แฟนกับภรรยาก็ให้ความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันถ้า แ, แฟนตามไปจีบเขาแม่หมามันก็ตื่นเต้นใช่จีบแล้วก็แหมหวานชื่นแต่งแล้วก็งั้นๆน่ะอย่าไปบอกใครเขานะอันนี้เป็นความลับเฉพาะตัวพวกผู้ชายคุยกันนะผู้หญิงห้ามได้ยินนะนี่เขาเรียกพูดแบบลิเกนะใครเคยดูลิเกบ้าง <c oughs> ความรู้สึกเรานี้แหละเปลี่ยน งั้นไม่ว่าเราจะทําอะไรนะเราดูได้ยกเว้นเท่านั้นเวลาที่ทํางานที่ต้องใช้ความคิดอย่างบางคนจะเขียนซอฟต์แวร์เขียนซอฟต์แวร์คืนไปนั่งดูจิตสิเขาก็ไล่ออกจากงานเท่านั้นมันเขียนไม่ได้งั้นเวลาที่ทํางานที่ใช้ความคิดเท่านั้นแหละที่ยกเว้นเวลาที่เหลือเนี่ยไม่เบียดบังเลยไม่เบียดบังการปฏิบัติเลยไปกินเลี้ยงกับเพื่อนก็ได้ เห็นมันเฮเฮฮาฮมันคุยกันใจเราขำขึ้นมารู้ว่าขำเนี่ยค่อยรู้ของเราทําได้ทั้งนั้นอ่ะจะขึ้นรถลงเรือจะทําอะไรนะทําได้ทั้งนั้นอ่ะมันไม่ได้เบียดบังเวลาไอ้ที่บอกว่าไม่มีเวลาปฏิบัติน่ะมีสองช้อยเท่านั้นอันหนึ่งไม่รู้จักวิธีปฏิบัติไม่รู้จักการเจริญสติที่แท้จริงเลยคิดว่าไม่มีเวลาปฏิบัติอีกอันหนึ่งอ่ะพวกขี้เกียจโดยสันดานหาข้ออ้างว่าไม่มีเวลา งั้นอย่าเอาเวลว่าไม่มีเวลามาพูดนะหลวงพ่อเคยอ่านประวัติหลวงพ่อกเกษมเข็มโกมีคราวหนึ่งในหลวงคุยกับท่านในหลวงเล่าบอกว่าผมงานเยอะในหลวงงานเยอะเราคงไม่เ u e s t i o ใช่ไหมบอกผมงานเยอะนะแต่ผมแบ่งซอยชีวิตของตัวเองเป็นช่วงเล็กๆงั้นท่านมีเวลาเหลือสองนาทีสามนาทีท่านดูท่านดูของเราถ้ามีเวลาเหลือสักสินาทีเราจะโยนทิ้ง ราจะทะเลทะลายเตลิดเปิดเฟิเงไปสะสมกิเลสไปสิบนาทีมีเวลา5นาทีเราก็เอาเวลา5นาทีไปสะสมกิเลส5นาทีพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้ทํำงั้นท่านบอกท่ามีเวลาสองสนาทีท่านก็ดูเอาอย่างท่านนั่งรถไปท่านจะต้องไปกล่าวสปีดอะไรเงี้ยท่านก็นั่งดูดูไปดูที่เขาร่างมาให้ท่านไม่ร่างเองหรอ ก, นะกดูเขาร่างมาพอนะดูพอเข้าใจประเด็นเข้าใจพ้อยแล้ว เวลาที่เหลือสองสามนาทีท่านดูของท่านท่านว่าอย่างเงี้ยนี่ท่านภาวนาท่านนี้ท่านภาวนาเก่งนะภาวนาเก่งงานท่านก็เยอะท่านทําได้เราก็ต้องเอาอย่างท่านบ้างนะอย่ามาอ้างเลยว่างานเยอะหลวงพ่อเมื่อก่อนอยู่สภาความมั่นคงงานเยอะนะแต่ทําไมภาวนาได้เพราะเราดูของเราตั้งแต่ตื่นตอนตื่นยังไม่มีใครใช้งานเรานี่ยเห็นไหมตอนอาบน้ําตอนกินข้าวตอนนั่งอือนั่งเชี่ยทําไมอะทำไมได้เหรอ เอาเวลาไปทําอะไรเอาเวลาไปใจลอยอสิใช่ไหมจนกระทั่งภาวนาชำนิชํนชนานาญแล้วนะถึงเข้าห้องน้ำถึงเอากระตูนไปนั่งอ่านอนะสมัยภาคเพียนทําความเพียนนะนะไม่มีหรอกมีแต่ดูเอาดูเอาตลอดเลยงั้นอดทนนะอดทนแล้วก็ช่างสังเกตให้2ตัวช่างสังเกตไม่ได้แปลว่าฟุกซัน ไม่ใช่คิดเตลิดเปิดเฟิงช่างสังเกตหมายถึงลงมือภาวนาไปเนี่ยแล้วสังเกตจิตสังเกตใจของเราไปด้ใจเราไปติดไปล็อกอะไรอยู่ที่ไหนถ้าภาวนาไปแล้วจิตเหมือนกันมาทั้งหลายวันแล้วเนี่ยทำผิดแน่ๆเลยต้องไปติดอยู่ที่ใดที่หนึ่งต้องช่างสังเกตถ้าภาวนาแล้วแม้มันฟุ้งซ่านตลอดเวลาเลยดูไปดูไปถ้าช่างสังเกตจะรู้ว่าใจไม่ชอบใจเราเองแหละหงุดหงิดปฏิเสธมันมันเลยยิ่งฟุ้งใหญ่เนี่ยค่อยๆสังเกตไป ช่วงไหนราคะรุนแรงนะอีกช่วงถัดไปโท่สาก็รุนแรงไม่ต้องตกใจเป็นเรื่องปกตินะช่วงไหนสงบมากอีกช่วงหนึ่งฟุ้งรุนแรงไม่ต้องตกใจเป็นเรื่องปกติเนี่ยค่อยๆสังเก ต, ตของเราไปแล้วดูไปเรื่อยๆจะพบแต่คำว่าธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมานี้ธรรมดาทั้งสงิ้นมีเหตุมันถึงได้เกิดนะไม่มีเหตุมันไม่เกิดหรอกใจยัยยำรับความจริงในทุกสิ่งทุกอย่างนะใจเป็นกลางอดทนดูไปเรื่อย ด้สติปัญญาช่างสังเกตอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนที่ขัดกับคําสอนของพระพุทธเจ้าภาวนาแล้วมันเที่ยงภาวนาแล้วมันเป็นสุขภาวนาแล้วมันรู้สึกบังคับได้อนั้นผิดแน่นอนถ้าภาวนาแล้วเห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั้นถึงจะถูกเนี่ยช่างสังเกตนะแล้วก็อดทนนะวันนี้ให้สองตัวนะอดทนไว้ภากเพียรดูไปแล้วก็คอยสังเกตตัวเองไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่คิดฟุง้งซ่านตลอดนะคิดฟุง้งซ่านใช้ไม่ได้เลย อ่เชิญไปทานข้าว